เราส่วนใหญ่มาวัดก็เพราะว่ามันมีแรงผลักอย่างหนึ่งแรงผลักที่ว่าคือความอยากความอยากของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเช่นบางคนก็อยากได้ความสงบบางคนก็อยากได้ความรู้สึกตัวบางคนก็อยากพ้นทุกข์ เรอยากมีความสุขความอยากเนี่ยมันก็มีข้อดีนะมันเป็นแรงผลักทาให้เกิดความเพียรไม่ว่าจะเป็นความเพียรหรือความขยันในการเรียนความขยันความเพียรในการทำมาหากินประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งความเพียรในการมาปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ก็อาศัยความอยากนี่แหละน ะ, ะเป็นแรงผลักแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะความอยากเนี่ยก็คือมันทำให้เกิดทุกข์ได้ง่ายอยากได้อะไรครั้นไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะความผิดหวัง อาจจะเป็นความเสียใจอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนียมันไม่ใช่แค่ทำให้เกิดทุกข์นะเท่า น, นั้นนะถ้าดูดีๆเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งตรงข้ามกับความอยากอยากได้ความสงบ แต่กลับได้ความไม่สงบอยากหายเครียดแต่พวกว่ากลับเครียดมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่อธรรมชาติความอยากก็ได้นะที่ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องมาเจอสิ่งที่ตรงข้ามกับความอยาก มีวิชายคนหนึ่งนะยุะมาสัก4ี่สิบห้าสิบได้แก่ติดเหล้าแล้วก็กินเหล้านะหนักด้วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแต่และครั้งนี่ หมอก็ช่วยให้อาการบรรเทาลงออกมาได้พอออกมาก็เข้าโรงพยาบาลอีกเพราะว่ายัางกินเหล้าไม่เลิกจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยหมอก็เรียกคนไข้มาคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยลุง ลุงต้องเลิกเหล้าให้ได้นะเพราะถ้าลุงยังกินเหล้าอีกเนี่ยอาการครั้งต่อไปนี่มันจะหนักแล้วก็หมออาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามาแต่ละครั้งนี่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆลุงต้องเลิกนะลุงแกก็รับปากนะว่าจะเลิกหมอก็บอกว่าเนี่ย ลุงก็รับปากอย่างนี้ทุกทีอ่ะแต่ไม่เห็นเลิกได้สักทีสารจริงๆ น, น, นะนะทำไมลุงไม่ยอมเลิกเหล่าสักทีก็ตอบว่าผมเครียดครับเครียดเรื่องอะไรอะ่ะเครียดที่เลิกเหลาไม่ได้สักทีครับืลุงแกอยากเลิกเล่ามากนะ แต่พอเลิกเหล้าไม่ได้เนี่ยแกเลยเครียดมากแ้าบอกเครียดมากแกก็ต้องกลับไปหาเหล้าเพื่อบรรเทาความเครียดก็กลายเป็นว่าความอยากเลิกเหล้าของแกเนี่ยมันทําให้แกกินเหล้าหนักขึ้นดูมันย้อนแย้งกันนะความอยากเลิกเหล้าเนี่ยมันก็น่าจะทำให้พยายามเลิกเหล้าแต่ปัญหาคือถ้าเลิกไม่ได้ หรือเลิกได้ไม่สมอยากเนี่ยอาจจะเลิอกอาจจะไม่รวดเร็วพอไม่ทันใจมันก็เครียดพอเครียดแล้วก็กินเหล้าคลายเครียดการเป็ว่าความอยากเลิกเหล้าเนี่ยมันทำให้แกกินเหล้าหนักขึ้นนั่นจึงบอกว่าเนี่ยความอยากเนี่ยนะไม่ใช่แค่ทำให้เกิดความทุกขเวลาที่ได้ไม่สมอยาก จะมาทำให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่อยากด้วยอยากเลิกเหล้าแต่กลับปรว่ากินเหล้าหนักขึ้นเม่ลุงแกก็ตอบพาซื่อนะแกก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรแต่สิ่งที่แกตอบเนี่ยมั น, มนสะท้อนความจริงนะว่าความอยากเนี่ยแม่อยากสิ่งที่ดีนะอยากเลิกเหล้านีแต่ว่ามันก็กลับทําให้ กินเล่าหนักขึ้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่อยากเลิกเล่านะอยากเลิอกอย่างอื่นหรืออยากหยุดอย่างอื่นก็เหมือนกันนะเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยมมาเคยไปจำพรรษาที่ประเทศเอังกฤษวัดอมรว ด, ดีของหลวงพ่อสุมเมทโธซึ่งส่วนใหญ่ก็มีพระฝรัง่ง จำพรนษามีพันเตร์รูปหนึ่งเนี่ยนะานเกิดป่วยโรคการก็แย่ลงไปเรื่อยๆไม่มีเรือไม่มีแรงไผ่ผอมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุการรักษาก็ใช้หลายวิธีนะใช้การแพทย์แผนใหม่ มารักษาก็ไม่ได้ผลก็เลยหันไปใช้การแพทย์แบบทางเลือกนะสมุนไพรฝังเข็มนะเพราว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงท่านเนี่ยเป็นพระที่มีน้ำใจนะพระไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนเนี่ยเขาก็รักท่าน ก็พากันมาเยี่ยมท่านเวลามาเยี่ยมก็จะไต่ถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมท่านก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนก็ให้พรหรือให้กำลังใจว่าอย่าค่อยหายไปไวนะแต่ว่าท่านก็แย่ลงเวลาเพื่อนกลับมาเยี่ย ม, มก็ถามว่าเป็นยังไง ดีขึ้นั้มท่านก็เรียดตอบยังไงนะไอาการตอบแต่ละครั้งว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันทำให้ท่านไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะหเห็นสีหน้าของเพื่อนที่ผิดหวังที่ท่านอาการไม่ดีขึ้นแลวต่หลังเนี่ยก็แย่ลงไปแย่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง หมอคิดว่าเนี่ยคงจะไม่รอดนะแล้ววันนึงเนี่ยหลวงพ่อสุเมโทโธก็ไปเยี่ยมวัดของท่านกับวัดของหลวงพ่อสุเมโธคนละวัดนะอยู่ไกลกันพอสมควรงั้นท่านก็ไม่ได้ไปเยี่ยมบ่อยอหลวงพ่อสุเมโธไปเยี่ยมเนี่ยประโยชน์รที่ท่านพูดกับภาพรูปนี้ก็คือว่า สันจะตายก็ตายได้นะอย่าพยายามหายโอ้พระรูปนี้นี่ร้องไห้เลยนะไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าหลวงพ่อสุมเมโทมาแช่งหรือว่าไม่มีความห่วงใหญ่แต่ที่ร้องไห้เพราะว่าปราบปลื้มปิติเหมือนกับว่ารุยยกภูเขาออกจาก อ, อกท่าน พรที่ผ่านมาท่านพยายามหายที่พยายามหายเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนๆนเนี่ยอยากให้ท่านดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็รู้สึกไม่สบายใจที่เพื่อนมีพากันผิดหวังเมื่อรู้ว่าท่านอาการไม่ดีขึ้นท่านก็พยายามนะพยายามที่จะหายให้ได้นะ แต่พออาการไม่ดีขึ้นท่านก็เลยเป็นทุกข์มากเกิดความเครียดแต่พอหลวงพอ่อเซเมทโขกแบบนี้เนี่ยโอท่านรู้สึกเลยนะว่าต่อไปนี้ฉันตายได้แล้วไม่รู้สึกผิดที่จะตายไม่รู้สึกผิดที่จะไม่หายพอไม่มีความพยายามที่จะหายนะร่ากัว่า อาการท่านดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนกระท่งหายในที่สุดทุกวันนี้ก็มีชีวิตยอยู่เลยนะแต่ว่าท่านศึกเป็นคลือหัดแล้วไม่ได้มียาวิเศษอะไรแต่ที่ท่านหายเพราะว่าท่านรู้สึกว่าไม่มีพาละแล้ว แต่ก่อนรู้สึกเป็นภาระว่าจะต้องหายให้ได้ไอ้ความอยากหายของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าท่านกลัวตายนะที่อยากหายเพราะไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังแต่พอไม่พอไม่หายสักทีเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็เครียดและความเครียดนี่นะมันทําให้ท่านเนี่ยแย่ลงแย่ลงก็กลายเป็นว่าความอยากหายเนี่ยทําให้ท่านแย่ลงไปเรื่อยๆ นะพอหลวงพ่อสุมเมโทรมาพูดแบบนี้เนี่ยท่านก็จะหมดภาระแล้วไม่ต้องอยากหายแล้วตายได้แล้วใจสบายนะพอใจสบายเยร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่มันเชื่อแล้นะความอยากหายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้คนเรานี่แย่ลง อยากหายแต่ว่ากับป่วยหนักขึ้นป่วยหนักขึ้นจนอาถึงตายได้แต่พอไม่มีความอยากหายเพราะว่าจะตายก็ตายได้แล้วความเครียกก็บันเทาลงาความเครียบบรเทาลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คล้ายกับ เรื่องลุงที่ติดเหล้านะคล้ายคนที่ว่าอยากเลิกเหล้าก็กับกินเหล้ามากขึ้นอยากหายก็ทำให้ป่วยหนักขึ้นวิธีที่ทาให้หายป่วยคือเลิกหรือว่าระงับความอยากซะก็เลยไม่เครียดนะไม่เครียดที่ไม่หายสักทีพอความเครียดมันน้อยลง ร่างกายก็ดีขึ้นเพราะว่าใจมันสัมพันธ์กับกายมากตรงนี้เนะนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดไว้นะดีมากเลยนะท่าบอกไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายนะเพราะมันเป็นตัวสมุทรไทยคือตัวเพิ่มความทุกข์ถ้าอยากก็ให้เป็นความอยากเห็นความจริงนะของทุกขเวทนา ที่มันแสดงทางกายและใจอยากแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็จริงเลยนะอยากหายนี่ก็ทำให้ป่วยหนักขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าวางความอยากลงนะเพลิ เ, เนี่ยทุกขเวทนาจะน้อยลงซึ่ง ตัวอย่างของพระฝรังรูปนี้เนี่ยมันก็ชี้ชัดนะพอไม่อยากหายแล้วหรือพร้อมจะตายแล้วมันกดีขึ้นเรื่อยๆอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายในที่สุดคนไม่ค่อยตระหนักในความอยากหายเนี่ยมันเป็นตัวที่กัดกร่อนจิตใจ เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็เป็นนักธุรกิจนะอายุแค่40คนฉลาดแต่ใจร้อนอารมณ์ร้ายซึ่งก็เป็นธรรมดานะคนที่ฉลาดเนี่ยมักจะใจร้อนพอใจร้อนแล้วก็มักจะ มีอารมณ์ร้ายเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจไม่รวดเร็วทันใจแล้ววันหนึ่งปรากว่าเส้ยในสมองแตกเป็นอัมพา์เลยนะคนที่เก่งทำอะไรได้สั่งคนนั้นคนนี้ถึงตอนนี้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอนติดเตียงแม้แต่จะสั่งมือให้ ขยับขยื่นก็ยังสั่งไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็รู้สึกว่าตัว เ, เนี้ยมันไม่เหมือนเดิมทุกข์มากเลยไม่เคยคือไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่าต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้อารมณ์ก็ยิ่งหงิดหัวเสียเข้าไปใหญ่ เวลาทำกายภาพบำบัดแกก็ใจร้อนนะอยากหายอยากเดินได้เหมือนเดิมแต่ว่าทำกายภาพบำบัดเนี่ยมันให้ผลช้ามากแกทำไปได้สักพักแกก็หมุดหัวเสียหัวเสียที่ ขย ე ืนขยับลำบากพอหัวเสียก็เบี่ยงวีนใส่หมอกายภาพบาบัดจนกระทั่งเกือบจะท้อแล้วแต่ว่าหมอก็ดีนะพยายามเขี่ยวเข็นให้ให้ทำกายภาพบาบัดแต่ก็ทำด้วยความทุกข์ที่มันไม่หายสักที ยิ่งทำก็ยิ่งเครียดแต่ต่อหลังพอทำไปทำไปเป็นเดือนเนี่ยนะก็เริ่มทำใจยอมรับได้ว่ามันจะไม่ได้หายรวดเร็วอย่างที่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าความคืบหน้ามันช้ามากนะก็เลยไม่ค่อยมีความคาดหวังนะ ว่าตัวเองจะดีขึ้นแต่ก็ยังดีอย่างนะคือยังทำกายภาพอยู่เรื่อยๆแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเนื่องจากมีความคาดหวังน้อยลงความเครียดความหงุดหงิดมันก็น้อยลงไปด้วยพอความเครียดความหงุดหงินน้อยลงอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆการทากายภาพบาบัดก็เริ่มได้ผล จนกระทั่งสามารถที่จะเดินเหินได้เกือบเป็นปกตินะไม่ว่า 90% ของสมรรถนะที่เคยมีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แกไม่คาดคิดเหมือนกันนะเพราะคิดว่าหมดหวังแล้วแต่พอไม่หวังพอไม่คาดหวังนะด้วยการ ฟื้นฟรูร่างกายนี่มันกลับค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะจนกรทั่งสามารถจะมาใช้ชีวิตตามปกติได้เกือบเหมือนเดิม้็ที่ยิ่งนคือ น, นิสัยใจคอเปลี่ยนเลยนะเป็นคนใจเย็นขึ้นแต่ก่อนเนี่ยหุนหันพันแล่นอารมณ์ร้ายใส่เพื่อนใส่ลูกน้องแต่พอหายจาก การเป็นอมพาสเนี่ยการเป็นคนอารมณ์เย็นและนุ่มนวล น, นะกับผู้คนนะไม่กระโชกโผง้าไม่อุนานพันแล่นเหมือนก่อนจนเพื่อนๆก็แปลกใจว่าเออป่วยข้างนี้กลายเป็นดีนะทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปแต่ประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยไอ้ตอนที่แกอยากจะหายเนี่ยนะ อาการกลับแย่ลงแต่พอไม่อยากหายไม่คาดหวังกับการรักษาเนี่ยมันกับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อมีความอยากเนี่ยความอยากบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากอยากเลิกเล่าแต่ว่ากับ กินเล่าหนักขึ้นอยากหายกับป่วยหนักขึ้นแต่เพราะไม่อยากหายนะเออมันกลับดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถ้ามาโยงถึงพวกเรานะที่มาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราลองถามตัวเองว่าเนี่ยเราเวลาเรามา ป, ปฏิบัติเนี่ยเรามีความอยากหรือเปล่า จริงอยู่นะความอยากมันพายเรามาที่นี่แต่พอเราปฏิบัติแล้วถ้างมีความอยากสงบต้องระวังนะไอ้ความอยากสงบนี่แหละไม่ทําทให้จิตเราไม่สงบมากขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างไงนะพออยากให้ใจมันเลิกฟุ้งบอกว่าฟุ้งหนักขึ้นนี่ถ้าจะเป็นธรรมชาติเลยนะยิ่งอยากให้ หยุดฟุ้งเนี่ยมันก็ยิ่งฟุ้งเพราะว่าพออยากให้หยุดฟุ้งใจมันก็ไปบังคับคอยกดข่มความคิดหรือว่าคอยไปบังคับความคิดให้มันหยุดคิดบังคับจิตให้มันอยู่นิ่งๆคอยดักจ้องความคิด ยิ่งทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ยิ่งทำก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่แล้วพอยิ่งเครียดมันก็ยิ่งฟุ้งนะแล้วพอฟุ้งมากๆเนี่ยแล้วยังอยากจะไปบังคับจิตให้มันหยุดฟุ้งหยุดคิดเนี่ยยิ่งผิดหวังผิดหวังมากๆเนี่ยหงุดหงิดโมโหตัวเองพอโมโหตัวเองเนี่ยลืมตัวนะบางคนก็แบบลองทับแตะฟาดหัวตัวเอง ฟาดเพราะอะไรมันคิดมากเหลือเกินว่าทำไมคิดมากเหลือเกินเป็นเพราะอยากสงบเนี่ยจิตกลับฟุง้งกับไม่สงบส่วนคนที่เขาไม่อยากนะไม่มีความอยากไม่คาดหวังให้จิตสงบนะกลับพบกับความสงบได้ง่ายกว่าเพราะไม่พยายามบังคับจิต อาจจะทำแบบสบายๆยอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนำให้ทำเล่นๆล่้ทำเล่นๆเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวได้เร็วเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ที่เป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติคือว่าทำแบบหน้าดำํำเคร่ง เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันเต็มไปด้วยความอยากไม่ใช่อยากทำนะแต่อยากได้ถ้าอยากทานี่ไม่เครียดแต่พออยากได้เนีย่ยได้ความสงบอยากให้จิตไม่ฟุ้งเนี่ยแาบจะร้อยท้องร้อยเลยนะก็จะลงเอยว่าผมฟุ้งเหลือเกินแล้วก็ไม่สงบจริงๆริ ความไม่สงบในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีความคิดเยอะนะจริงๆถ้าไปดูสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากการที่ไม่พอใจที่มันมีความคิดฟุ้งขึ้นมาไอ้ความคิดฟุ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหามาเท่ากับความอยากให้มันหยุดฟุง้งหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือว่าไอ้ความคิด ฟุ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราเท่ากับความรู้สึกลบต่อความคิดฟุ้งวันฟุ้งก็ดูมันเฉยๆไม่ได้ไหลาตามมันเราก็ไม่ได้ไปโลมรันพันตูกับมันไม่ได้รู้สึกลบกับมันเรียกว่าวางใจเป็นกลางรู้สึกเป็นกลางต่อความฟุ้งใจมันก็สงบได้นะ ใจมันสงบได้คือมันไม่หงุดหงิดไม่เครียดแต่ที่เครียดที่หงุดหงิดเพราะว่าไม่ชอบความฟุ้งและที่ไม่ชอบเพราะว่าอย่ากให้มันสงบมันก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากสงบก็ลงเอยด้วยการที่จิตไม่สงบเครียดหนักขึ้นไอ้ความอยากนี่แปลกนะยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลตรงข้าม อยากเลิกเหล้ากับกินเหล้าหนักขึ้นอยากหายป่วยกับกับป่วยหนักขึ้นอยากให้มันสงบนี่กั บ, กบฟุ้งหรือเครียดหนักขึ้นงั้นเวลาปฏิบัตินจะต้องกลับมาดูนะมาตรวจสอบ ด, ดูว่ามันมีความอยากไหมแล้วถ้าเห็นความอยากนี่อย่าไปกดข่มมันนะให้รู้สึกเป็นกลางกับมันหรือแค่รู้เฉย แค่รู้เฉยๆนี่มันก็มากพอที่ทาให้มันไม่สามารถบงการจิตใจได้อย่าประเภทว่าอย่าอยากให้ไม่อยากนะถ้าอยากให้ไม่อย่างนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยก็แค่ดูมันจะเฉยรู้ทันมันเฉยๆยอมรับ ว, ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ไหลาตามมันไม่ว่ารู้ซึ่งมันก็จะไม่มา บงการจิตใจเราทำให้เกิดความเพี้ยนหรือว่าเกิดอาการเหวี่ยงวีน